เอาน่ายาซีเรียกเรื่องหมาจิ้งจอกเจ้าปัญญาการละครั้งหนึ่งนานมันแล้วหมาจิ้งจอกกับนกกระสา เป็นเพื่อนรักใคร่กันมากวันหนึ่งหมาจิ้งจอกก็เชื้อเชิญให้นกกระสาไปทานอาหารที่บ้านหมาจิ้งจอกก็จัดอาหารใส่ในถาดแบนด์ราบทำให้นกกระสาไม่สามารถใช้ปากที่ยาวแหลมออกมากินอาหารในจานแบนด์ราบนั้นได้ส่วนหมาจิ้งจอกก็เลีย ก, กินอาหารที่เป็นน้ำได้สะดวกจึงทำให้หมาจิ้งจอก อิ่มสบายตัวเดียวส่วนนกกระสาก็เก็บความแค้นไว้ในใจฝ่ายนกกระสาก็คิดในใจว่าเราจะต้องแก้เผ็ดเจ้าหมาจิ้งจอกบ้างจึงได้เชิญให้หมาจิ้งจอกไปทานอาหารที่บ้านของตนบ้างโดยจัดอาหารใส่ไว้ในเหยือกที่ปากแคบนกกระสามีจะงอยปากจิกล้วงอาหารได้สบาย ส่วนหมาจิ้งจอกไม่สามารถจะกินได้บ้างหมาจิ้งจอกพินิจพิจารณาแล้วก็คิดออกจึงใช้ปากกระแทกให้เหยือกนั้นล้มแตกกระจายอาหารในเหยือกจึงหกออกมาและตนก็สามารถกินได้เช่นกันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนมีปัญญา ยังไงยังไงก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้สำเร็จวันยังค่ำ